พรธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8มกราคม2557ณวัดป่านาคำจังหวัดหนองคายมีชื่อเรื่องว่าให้ยึดแนวแถวพระอรหันต์ พระมาจโลกที่ปฏิสัมปันธ์กับัตชาลีอนที่วาลอยากา อันติทัสสะตาปะละชาคะชาติกาเทเสตุธรรมอนุกรรมปิมังปะสังท้าวสหาม บอดีพร้อมเป็นบอรอ ม, มมาสงรงฤทธิสักดากว่าบริสัททุกมูมพร้อมน้อมหาดน้มหดัดนามสการ เปาดิดสถานนาที่สมควรแล้วจึงบางคมชูรีบาดพระศาสดาขอพรอนันประเสริฐวาลาเลิด โัวลาปวดสาหัสในโลกะจิเล็ดน้อยก็ยังมีขอองพระจอมพระหารสู่ธรรมะฮัอันโูจี โร ป, ปรดปวุกปราชาสีท่านจงโปรดแสดงธรรมขอหนิมนท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิดล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรม เทศนาแล้วว่าที่เพื่อให้สําเร็จผลแก่ปวงชนบรรดามีสุสุกเสษมสี สมดังเจตนาเธอิข อ, อนิมนเจ้าค่ะเสียงอลาธนาธรรมรู้สึกว่าไปลอพ่อเพียงมากเออเนี่ยหลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดหลวงพ่อไปเห็นชาวต่างประเทศ เขาอาราธนาศีลพร้อมกันอาราธนาพระปริตตะพร้อมกันแล้วก็สมัญตาเชิญเทวดามาฟังพระปริตตะก็พร้อมกันแล้วก็อาราธนาธรรมอย่างเมื่อกี้นี่เขาแต่ม่เขาไม่ได้พูดทํานองเนี่ยมีเทวพรมมาเจโลกาเขาก็พูดพร้อมกันหลวงพ่อเห็นเออ น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางแห่งคณะสัทธาญาติโยมมากลุ่มใหญ่ก็มีทา ย, ยกพูดคนเดียวทั้งอาราธนาศีลทั้งอาราธนาธรรมทั้งอราอราธนาพระปริศทั้งอาราธนาสมันตาเชิญเทวดามาฟังพระปริตะมงคลต่อกรนีคล่องแคล่วเร็ว แต่ว่าในเมื่อทายกคนนั้นไม่มาแล้วก็มองหน้ากันเลยทนายทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามอบความไว้บังใจกับนายกทายกคนเดียวถ้าเมื่อทายกไม่มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยงานก็เลยไม่ค่อยจะราบรื่นแลแนยทนยเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราพร้อมกันอย่างที่พวกลูกหลานคณะสัาญญาตยาิโยมได้ ทำนี่ละไปนสถานที่ใดอยากให้ทำพร้อมๆกันเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ก็จะได้เรียนรู้หรือจะได้พูดตามเมื่อพูดตามหลายครั้งตรอหลายหนความจำความชำนานก็จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาในเรื่องนี้หลวงพ่อวานอาจจะเป็นอย่างนั้น และก็วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งคือหลวงพ่อท่านพระครูพระครูสุธิยานโสพลเจ้าวาดวัดนาขามของพวกเราท่านปารบงานของหลวงปูเงงป่เหลียนแต่ตามไห้จริงหลวงปู่เหลียนท่านก็อยู่วัดรรญยบาลพศอำเภอสีเชียงใหม่แต่ที่ ท่านอาจารย์บระครูที่ท่านมาจัดที่นี่ก็เพื่อลาลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอุปกระคุณที่ท่านให้ทำคำสอนแต่ตามไม่จริงผิดกติกาไหมที่เราจะจัดงานอย่างนี้ไม่ผิดหลวงพ่อบอกว่าไม่ผิดพระพุทธเจ้าปริลิพทานอยู่ที่เมืองอินเดียพวกเรายังมา จัดวันวิสาขะทุกหัวและแห่งของโลกเนี่แหละการสร้างคุณงามความดีไม่เลยเลือกว่าจะถานณันสถานที่ใดกลุ่มใดคณะใดว่าแต่ใครทำคุณงามความดีก็เป็นคุณงามความดีด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลวงปู่เทศก็เหมือนกันหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านจัดที่หินหมักเป้งเมื่อคราวที่แล้วแต่ทางคณะสิ์ยานุสิ์ทางภูเก็ตพังงาที่ วัดหลังสารเขาก็จัดทางนู้นขึ้นมาอีกเพราะเหตุไรเพราะหลวงปู่เทศเคยไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตคณะสิทธิานุสิ์ของภูเก็ตเขาก็จัดทาพิธีขึ้นมายิ่งใหญ่เหมือนกันพระในแทบนั้นหรือครูบาอาจารย์ทางอีสานบางส่วนเขาก็นิมนต์ลงไปแล้วก็ตีตั๋วเครื่องบินถวายท่านด้วยไปงานของหลวงปู่เทศเทศรังสีเท่จังหวัด ภูเก็ตวัดสมนักกิจวัดหลังศาสตร์ที่หลวงปู่ไปอยู่นมนานที่จังหวัดภูเก็ตทั้งวัดผินมกแป้งก็จัดแห่งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องทำคุณงามความดีไม่ได้เลือกการสถานที่เวลาถ้าสร้างที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับสิทธิอนุสิ์ด้วยกันทาง น, านั้นเพราะนั้น วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระครูวิสุทธิยานโสมพลที่ท่านได้พาคณะสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายได้มาจัดการในวันนี้หลวงพ่อเองก็จะว่าภารกิจก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพิ่งมาถึงวัดเมื่อวานนั่นเองตอนค่าอีกต่างหากแล้วก็ไปอยู่ที่ อำเภอคำชะอีจังหวัดมุมกดาหารเดือนกว่านะคณะสัตยาติโยมทิ้งวัดทิ้งวาไปอยู่ที่นู่นนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อพวกเราบางคนก็คงนั่งอยู่ที่นี่คงจะได้ไปงานพระราชทานเพลิงศริระของหลวงปู่จามมหาปุญโญอันนั้นก็หลวงพ่อก็ล้ำลึกถึงพระคุณเหมือนกันนะคณะสัตยาธิโยล้ำลึกถึงพระคุณที่เพ่อนท่านมีอุปกรณคุณ ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็ถือเป็นข้านายาติอีกต่างหากคือท่านเป็นหลวงอาหลวงอาของหลวงพ่อเป็นน้องชายพ่อและก็พร้อมกันหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเพียงแต่ญาติเท่านั้นเป็นสิ่งจาเป็นสำคัญหลวงพ่อถือว่ายาติธรรมที่ให้ธรรมะกับหลวงพ่อที่เป็นหลวงอาท่านให้ธรรมะมากมายสาหรับ ลูกหลานคณะสตาญาติยาโยมทุกหมู่เหล่าเวลาไปกับท่านไหท่านจะแสดงทำให้ฟังเรื่องนิทานเรื่องชาตโลกเรื่องอะไรต่อไม่อะไรภายในจิต จ, จใจของท่านท่านไปภาวนาที่ไหนท่านเดินจงกรมท่านปฏิบัติทำอย่างไรท่านจะอธิบายให้ฟังเราก็ได้นําแนวความคิดของท่านหรือแนวปฏิบัติของท่านมาประปรุงกายกายวาจาใจของเราวิธีแนวปฏิบัติของเรา เราก็ซึ้งในใจอันนี้ก็คือญาติธรรมซึ้งกว่าญาติโลกญาติโลกนี่มีอีกแบบหนึ่งแต่ญาติที่ทำเนี่ยที่นำมาประพฤติธปฏิบัติเหมือนกระชี้ขุมทรัพย์ให้ภายในใจอันนี้เลิศประเสริฐเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปจัดงานสรีระของท่านที่พระราชทานเพลิงสริระของท่านเพิ่งจบเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาถึงวัด วันนี้ก็พอมาถึงก็เห็นจดหมายแต่อาจารย์พระครูนิมนต์ก็ท่านนิมนต์ไว้นานแล้วล่ะแต่หลวงพ่อขณะที่ไปจัดการด้วย น, นั่นใครจะนิมนต์ไปว่าจดหมายฉบับนั้นแล้วว่าเรื่องนั้นก็ทิ้งไปทั้งหมดเพราะเหตุไรถือว่างานของหลงอาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จะต้องรับภาระแต่คราวนี้ก็พอได้รับจดอ่านจดหมายฉบับโอ้ นี่น่าจะไปได้หลวงพ่อจะได้มาในงานในวันนี้ตอนนี้ไปก็หลวงพ่อจะไปลงแสดงธรรมให้กับคณะสัตายาญาติโยมโลูกหลานเพื่อได้เพื่อการศึกษาเพื่อได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลวงพ่อยกไปที่ไหนหลวงพ่อยกว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า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 เป็นพระบาลียืนยันอีกว่าสุดตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้นว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบติดใจให้เป็นหนึ่ง จิตใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งจิตใจแน่วแน่จากนั้นก็นำที่จิตใจผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาอีกก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะว่าจิตใจของเราได้รับความสงบและผ่านความสงบมาแล้วนะสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นมองไม่เห็นเพราะนั้น ในหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้แสดงธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านสมัยก่อนออการศึกษาหรือ ว, ว่าปริยัติธรรมการศึกษาในพระไตรปิฎกหรือหนักเสือมีน้อยหลวงปู่มั่นท่านอบรมคณสิทธิร์รุ่นเก่าๆลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟังดูแล้วท่านอบรมตั้งแต่ตั้งแต่ทุม่มถึงสี่ห้าทุม่ม ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ได้รับการอบรมฝังธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่เสาร์ท่านไม่ค่อยพูดแต่หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านมากมายทีเดียวเพราะนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเอาต่อเนี้ไปก็เหลียวหลวงพ่อจะเป็นองค์งแสดงธรรมเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะเอาพวกกล้องถ่ายรูปให้อยู่ในความสงบซะก่อน แล้วก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ปิดไว้ซะก่อนโทรศัพท์แต่ถ้าหากว่ามันโทรศัพท์ดังขึ้นเราจะจะพูดคุยโทรศัพท์ก็ให้ออกไปข้างนอกเพราะเป็นการลบกวนลบกวนคนอื่นเขาเพราะว่าเขานั่งหลับตานั่งภาวนาแต่มีเสียงอะไรดังขึ้นเสียสมาธิในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้น เราต้องมาอยู่โดยการทาสถานที่นี่เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อใจของเราจะได้รับความสงบซะก่อนเราจึงจะรับรู้เรื่องต่างๆโดยละเอียดได้นะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมโพธัสสะ นะโมตัสสะปะก ว, ะวะาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะก ว, ะวะาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปัลาโลกัตสงปาติฐาโหนติปานินันติติวันนี้นับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง คณะสัตยาญาติโยมมารวมกันโดยท่านพระครูสุทธิยานโสพลเป็นหลักที่วัดป่านาขามแห่งนี้ได้รวมกันจัดงานเพื่อแสดงออกซึ่งศักการะมุทิตาสักการะเอว่าความเคารพสักการะในพระเดชพระคุณหลวงปู่เหลียนวรราโพ ของพวกเราที่ท่านล่วงลับไปแล้วหลายปีแต่คุณงามความดีของหลวงปู่ยังอยู่ในจิตใจของสิทยานุสิ์ทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราที่มาบาเพ็ญกุศลในวันนี้ก็เพื่อลำลึกถึงพระคุณเหมือนกับพวกเราเมือ่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว2557ปี แต่พวกเราก็ยังจัดวันมาฆบูชาวิสาขบูชาหรือวันอาสารหาบูชาเพื่อลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้านี้ก็เหมือนกันถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะล่วงลับดับขันไปนานแต่พวกเรายังล้ำลึกถึงพระคุณมีอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ละ่ะ ที่หลวงพ่อเน้นหนักหนาหลวงพ่อไปนสถานที่ใดทุกวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาถึงจะติดภาวนาก็เถอะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าในระหว่างหลวงปู่มั่นกับคณะสิทธิานุสิตของท่านที่เป็นรุ่นลูกของท่านแต่พวกเรามาถึงรุ่นหลานรุ่นหลานแต่ถึงยังไงก็เถอะ เรื่องคุณงามความดีนั้นถึงจะเป็นรุ่นไหนก็คือคุณงามความดีแต่ข้อสำคัญให้พวกเราปฏิบัติให้ถูกต้องให้ไปตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเอาไว้นั่นละเลิศประเสริฐเรื่องคุณงามความดีเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นเหมือนกับไฟเราจับสมัยค้งพุทธกาลก็ร้อนจับสมัยหลวงปู่มั่นก็ร้อนจับขณะเดียวนี้ ไอ้พวกเรานี่ก็ร้อนเรื่องบาปบุญคุณโทษอันนี้ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็คือกรรมชั่ววันยางคำ่ำแต่ถ้าคำกรรมดีกรรมดีก็คือเป็นกรรมดีวันยางคำ่ำเพราะนั้นอพวกเราท่านทั้งหลายต้องศึกษาเท่นีแต่ลงพ่อเองก็เป็นห่วงเพราะพวกเราอยู่ในระหว่างในระหว่างต่อลูกศิษย์ของ ในระหว่างลูกศิษย์ลูกของหลวงปู่มั่นระหว่างต่อถึงหลานหลวงปู่มั่นพวกเราในฐานะหลานเพราะเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นเป็นลูกศิกษย์หลวงปู่ล่าเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์พระมหาเถระแต่พระมหาเถระเหล่านั้น ก็เร่ร้องโรยไปตามอายุสังขารแต่เมื่อพวกเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แล้วบางท่านบางคนไม่หนักแน่นในเมื่อสายครูบาอาจารย์สายอื่นเข้ามาพูดก็เปลไปตามอยากจะมีอิทธิฤทธิ์อยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะภาวนาเข้าไปแล้วอยากจะมีอำนาจทางจิตใจแพ่งนูนแพ่งนี้ แต่ตมามไม่จริงแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วพวกเราให้ศึกษาหลวงปู่มั่นครูบาอจารย์คว่าอย่าส่งจิตออกนอกอันนี้แหละนนคือวิธีการปฏิบัติอย่าส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกถ้าส่งผิดที่ผิดทางแล้วเกิดวิปัสสนูปะกิเลสเป็นบ้าได้ง่ายๆนี่แหละอันนีค้คือสายแนวแถวหลวงปู่มั่นของเราแนะนาสังสอน เพ น, นั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนาพวกศรัทธาญาติโยมน้องๆถึงยังไงให้พวกเราศึกษาในแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนาสั่งสอนพวกเราอย่าออกนอกรูกนอกทางเพราะในส่วนนี้พวกเราคล้ายๆกับเป็นระหว่างต่ อ, อ, อลูกกับลกหลานพ่อหลักหลานถ้าว่าพวกหลานของเราเป็นฝึกแผ่น ยึดแนวแถวของพ่ อ, พอแม่ปู่ปายจานสองหลวงปู่มั่นให้มั่นแน่นหนามั่นคงแล้วนั่นแหละพวกเราจะเป็นผึกแผ่นแต่ว่าพวกเราไปคนละทิศทางแล้วก็รู้สึกว่าหน้าวิตกเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเป็นทาหนะหลานแต่พูดทางนี้ทางนั้นเมื่อหลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกบางองค์อาจจะเ อ, อหลวงพ่ออินในใจแคบ จะให้ทาแต่แนวแถวของหลวงปู่มั่นเท่านั้นทำไมจะไม่ให้ทาแนวอื่นสายอื่นที่เราศึกษามาน่าจะปร ะ, ประพุทธปฏิบัติน่าจะเปิดใจให้กว้างใช่หลวงพ่อเองก็เปิดใจให้กว้างแต่ว่าถ้าว่าอะไรเกิดขึ้นมาอย่างพงพ่อไปเห็นคนที่มเข้ามาศึกษาเมื่อไปที่งานของหลวงปู่จามที่ผ่านมาเหมือนกันหลายหลายคนเข้ามา แล้วเหมือนดูๆแล้วมันลักษณะส่งจิตออกนอกจริงๆไปเห็นครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนให้ท่านปฏิวัติอย่างนั้นผลแบบนี้ตามไปเถอะผลที่สูด ก, ก็เลยลังไม่อยู่ผลที่จะเป็นบ้าเอานีมองเห็นแล้วมันไม่ใช่ธรรมดามันจะเสียศูญย์เสียแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองเล้ว่าให้ศึกษาให้ฝังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้ละเอียดก่อนที่จะทำยังไงแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านวางไวก้กรรมาฐานทั้งสี่อย่างากรรมาฐาน40และก็นนอก ก, นกว่านั้นยังมีอีกนอกจากกรรมาฐาน40แล้วยังมีอีกแต่หลวงปู่ม่านของเราท่านก็เอาเย็บกรรมาฐาน40นั่นแหละเอามาประยุกให้พวกเราใช้ แต่พวกท่านบอกว่าเราพระพุทธเจ้าท่านภาวนาท่านทำจิตใจให้สงบนล้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนเมื่อเราอ่านเราศึกษาเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้จั ด, จ ด, จ ด, จดรู้ธรรมนั้นกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่ทีนี้มาถึงหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอากรรมาฐานสองอย่างคือลมหายใจเข้าหายใจออกกับพุทโธเออพ ร, พระพุทธเจ้าทว่า อนุสติสินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติอนุสติ10บของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นเอามามาให้พวกเราบริกรรมสองอย่างท่านบอกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุท หายใจออกโถ่อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านไม่ได้บริกรรมพุทโถ่แต่หลวงปู่มั่นท่านเอาสองอย่างมาประยุกต์ให้พวกเราปฏิบัติเวลาหายใจเข้าพุดหายใจออกโถ่ถ้ากําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่าย มันเผลอได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมมันเผลอเพราะนั้นให้เอาบริกรรมพดโถด้วยอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธิารูสิทธิ์ของท่านแต่วิธีการปฏิบัตินั้นหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังครูบาอาจารย์สายอื่นทำถูกไม่ถูกอย่าไปดูถูกท่านเหมือนกับคน พวกเรานั่งอยู่ที่นี่ทำนาด้วยการทั้งหมดใช่ไหมค้าขายด้วยการทั้งหมดใช่ไหมเป็นข้าราชการพนแนกเดียวใช่ใช่ไหมไม่ใช่ท่านนายอำเภอก็นเนี่ยบริหารเรียนมาทางกฎหมาย เ, เรียนมาทางการบริหารบางคนก็เรียนมาทางกฎหมายนิติศาสตร์บางเทียนก็เรียนมาเกษตรศาสตร์ มันมีเยอะแยะแพทย์ศาสตร์เพสัชศาสตร์นีแต่นี้เมื่อแต่ละขแขนงนั้นเวลาออกมาทำงานเขาได้เงินเหมือนกันใช่ไหมเป็นหมอก็ได้เงินเป็นนายอำเภอก็ได้เงินเป็นทหารก็ได้เงินเป็นตำรวจก็ได้เงินเป็นพิพากษาอัยการก็ได้เงินเป็นพ่อค้าก็ได้เงินมีเยอะแยะไปวิธีการหาเงินได้เงินเหมือนกัน แต่วิธีการหาเงินนั้นหาต่างกันแต่เอาเถอะแต่และ ว, วิชานะเราจะไปทาทุกวิชาใช่ไหมเรียนทุกวิชาใช่ไหมวิธีหาเงินของเราเราจะเรียนทุกวิชาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะ ว, าว่าวิชามันเยอะเหลือเกินนี่ก็เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแ4ด0 ม, มืนี่พันพระธรรมขานเราจะปฏิบัติ ภาวนาพทุทโธด้วยทำโมด้วยสังโฆด้วยอาณาปานสติด้วยกายานุสติด้วยเวทน า, เ, า, เ, าเวทนาด้วยดูเจต ด, ด้วยดูธรรมด้วยมีตรลายด้วยทั้ง4ี่สิบอย่างเอาอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วว่ า, าท่านได้รู้ได้เห็นได้เห็นผลแล้ว ท่านจึงมาแนะนำลูกๆรั้นหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติเพราะนั้นท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทธโธนะแต่ในเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล่างองหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนครูบาอาจารย์องหลวงปู่มั่นเมื่อท่านจากไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุที่เป็นที่ยอมรับของพวกเราจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่และองค์เมื่อท่านจากไป กระดูของท่านก็ไดยกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นต่ำตาตําใจของพวกเราอยู่พวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะเคารพนับถือเลื่อมใสในแนวขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ถ้าจะพูดว่าพวกเราเดินตามแนวแถวสายพระอรหันต์หลวงปู่มั่นเป็นประธานหลวงพ่อพูดคำนี้ก็ไม่น่าจะเวอร์จนเกินไป ไม่น่าจะใครๆว่ายกยอปอมานปั้นเกินไปเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนเป็นอย่างนั้นกระดูกขององค์ใดที่เป็นพระธาตุองค์นั้นคือพระอรหันต์ทั้งเป็นแต่เรามองไม่เห็นใจของท่านแต่เป็นรูปประธรรมรูปประธรรมคือร่างกายของท่านเรามองเห็นว่าองค์ไหนที่เป็นกระดูกอธิได้เป็นพระธาตุอันนี้นคือกระดูกของพระอรหันต์เพราะนั้น พวกเราก็น่าจะตายใจได้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราแนะนำสั่งสอนรรสิทธิ์ของท่านลูกศิษย์ของท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนพวกเรามาถึงพวกเราพวกเราก็เป็นในในฐานะหลานก็ยึดแนวแถวพ่อของพวกเราพ่อของพวกเราสอนยังไงแต่บางท่านบางคนก็อาจจะลืมแต่ก็ให้ศึกษาแนวประวัติของหลวงปู่เหลียน ประวัติของหลวงปู่เทศประวัติของหลวงตามหาบัวประวัติของหลวงปูล่ลาประวัติของหลวงปู่ฟันประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านจะสอนแนวแถวลักษณะเดียวกันถ้าว่าอยากจะทำจิตใจให้สงบท่านให้ภาวนาพทุทโธหลวงปู่มั่นยืนยันเองว่าภาวนาพทนุทโธนี่ถูกเกือบทุกจริตจริตหก เกือบทุกจริตแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกกับทุกจริตนะภาวนาพุทธโธนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายใจของพวกเราให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ถ, ถ้าเมื่อเราบริกรรมดูเสมอจิตใจของเราไม่ส่งออกนอกจิตใจรวม จิตใจจะเข้าสั้นเข้าสั้นสั้นเข้าสั้นเข้าเมื่อเรากำหนดแล้วตีแรกมันก็เผลอเพร่นพลานไปท้งอื่นแต่เราพยายา ม, มีเรา ม, มีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นมีความพยายามที่จะทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธจากนั้นใจของเราจะรวมสงบ จิตใจจะรวมรวมข่าวเนี่ยคล้ายๆกับเป็นคณิกะจิตใจรวมสงบชั่วครั้งชั่วงขณะหนึ่งเพียงขณะเดียวก็เถอะความสุขในจิตใจที่รวมสงบเพียงขณะเดียวนะี่ยเรียกคณิกะสมาธิเพียงแค่นี้เราก็จำไม่ลืมเ อ, อเมื่อมันมีครั้งแรกเกิดขึ้นเ อ, อเรานั่งสมาธิออทำให้ใจสงบเย็นเย็นมีความรู้สึกเย็นถ้าเกิดมันวาบ เย็นเข้าสู่จิตใจลึกๆเหมือนกับ น, น้ําดับไฟลักษณะอย่างนั้นนะมันว่าบเข้าไปในเย็นเย็นลึกลึกอันนี้แหละว่าจิตใจที่เป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิในเมื่อเราพยายามไม่ให้เป็นเผลอเอาเถอะมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วคณิกะแต่เราไม่ได้สนใจจากตั้งนั่งข่าวหน้าต่อไปเราก็พยายามดูใจของเราอีกพลที่สุดใจของเรามันจะรวมมันจะสงบ สงบครานี้ไม่ใช่สงบแบบเหมือนค้างก่อนแต่มันก็มีความรู้สึกมีความเย็นใจใจกับสติสติกับใจของเราคล้ายๆว่าใจของเราเนึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันใจทันในความรู้สึกของเราคล้ายๆกับว่าสติกับจิตควบคุมกันใจของเรามีเครื่องอยู่ใจของเราไม่ไม่ฟุ้งซ่าน ใจของเราไม่ปูงไม่ฟุง้งไม่ซ่านสติควบคุมจิตคล้ายๆกับว่าน้ําควบคุมไฟอยู่อย่างนั้นแหะคือให้มันอยู่คือไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจิตใจกับจิตควบคุมกันไม่ปุงฟุ้งซ่านต่อไปเมื่อจิตใจของเราเรามีความพยายามมีความตั้งใจกําหนดดูให้ละเอียด กำหนดภาวนาจิตใจจะรวมลงสงบจิตใจจะสงบรวมลงลึกกว่านั้นสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นจุดนี้อันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิปป น, าาธนานๆพวกเราจะได้พบได้เจอได้เห็นนะบางท่านเขาไม่ถึงขนาดนี้แต่ถ้าได้เจออัปปนาสมาธิแล้วความมั่นใจในตัวเองว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าร่างกายเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถท่านจะว่ามโนปุพังเขมาทำมมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจดวงนี้หละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจดวงนี้หละจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่รถคันนี้อีกใช้อีกไม่นานเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ทิ้งเพราะว่าใจดวงนี้มันหมดอายุแต่ใจของเราเนี่ยไม่หมดอายุพวกเราคิดดูสิเราดูในใจใจของเราเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะ ยังคิดปรงฟงออกไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แก่เหมือนร่างกายนะมันจะกระโดดโลดเต้นอีกต่างหากแต่ร่างกายนะมันไปไม่ได้เพราะอะไรมันหมดสภาพของมันแหะแก่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละกายกับใจใจกับกายถ้าเรามีสมาธิเราจะรู้ได้เห็นได้ในตัวของเราตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครแล้วเธอถามตัวเองเลย ตัวที่พาเกิดเนะ่ยคือใจคือน้ำมรรมแต่ร่างกายเนี่เผาไฟทิ้งแน่แน่อีกไม่นานไม่ถึงร้อยปีบางคนก็ร้อยปีเสร็จเสร็ถ้าร้อยปีเสร็จเสรก็เถอหมดสภาพแล้วไม่เหมือนต้องได้พยุงกันแล้วนี่แหละคนที่อายุร้อยกว่าปีแต่ถึงยังไงก็ต้องถึงจุดจบทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคณะรัตย า, า ญ, ญาติโยม ลูกหลานให้ศึกษาตามแนวแถวองหลวงปู่มั่นในเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทำอย่างไรเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วท่านให้พิจารณาพิจารณาร่างกายเพราะว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเนี่ยหลงหลงร่างกายใจของเราเนี่ยหลงร่างกาย หลงยังไงมันหลงร่างกายว่าร่างกายของเราว่าเป็นของเรามีความสุขหิวกระหายไปที่ไหนขนยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชาก็เลยหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นของเราคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละมันหลงถึงขนาดท่านนั้นหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตามียศถามี เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดเป็นที่เชิดชูบูชาคนทั้งหลายยกย่ท่านี้ก็หลงตัวเองทนพอหลงตัวเองหลงอย่างอื่นแทนนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาจูสิร่างกายของตัวเองมีอะไรบ้างให้แยกส่วนแบ่งส่วนดูแยกหนังจู๋ิถลกหนังออกไปร่างกายเมื่อการชชำแหละเนื้ออย่างนั้นพวกเนื้อวัวควายที่มันตายไปแล้วเราชำแหละ หราชมแหละปลาอย่างนี้นเราชำแหละหนังดูสิมันมีแต่เนื้อเอาเนื้อออกสิมันเห็นกระดูกออกกระดูกก็สิ เ, เห็นตักเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นไตในช่องท้องของเราดูสิมันเป็นยังไงตอนนี้ผ่ากระโหลกศีรษะสิเห็นอะไเห็นสมองเออทั้งฝูบบผ ล, ผลและฟันหนังเนือเอ็นกระดูกเออ ออกเป็นกองๆไว้ดูสิชำระให้เป็นกองไว้ดูสินี่แหละคือกรรมฐานแล้วแต่พอชำระดูแล้วร่างกายนีเป็นของเราเใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราแต่มันรวมกันขึ้นมาเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราแต่พอชำระออกไปแล้วมันเป็นเศษเศษกระดูกเศษเนื้อเศษอะไรทั้งหมดเหมือนกับรถนรถถ้ามัเป็นคันขึ้นมาก็เป็นรถของเรา แต่พอจาแหล่อันนั้นพอจําแหล่รถออกไปอันนั้นฝากระโปงอันนี้ล้ออันนี้คันซีอันนี้เบรกกองกองไว้น่ะนะเป็นรถไหมก็เป็นรถอยู่เ อ, อแต่ว่ามันเป็นเศษเหล็กนี่นี่ก็เหมือนกันเรามาพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นเศษเหล็กเหมือนกับเศษเหล็กในร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อร่างกายอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายนั้นจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นใจถามโซเฟอร์ด้วยใจโซเฟอร์โซเวอร์อย่าหลกนะอย่าหลกว่ารถคันนี้มันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะโซเฟอร์นะเราก็ถามใจใจว่าร่างกายของเราอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะอีกสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งแน่แน่ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะนั้นเมื่อไม่หลงร่างกายก็ไม่หลงอย่างอื่นไม่หลงสามีไม่หลงภรรยาไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สงัพสมบัติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแต่ปัจจัยเครื่องอาศัยอาศัยซึ่งกันและกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องพยายามทำตนให้ดีที่สดุด อ, อ, อย่าให้คนอื่นเดือดร้อน เ, ออเราเขา ใจเขาใจเราให้มีความพร้อมเพียงให้มีความสามัคคีให้รักกันเอาไว้เมตตาสงสารกันเอาไวเพราะต่างคนก็ต่างมาอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็จะต่างทิ้งร่างกายสังขารของเรามันไม่ใช่ของเรานะใจนะนี่แหละก็ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านแนะนำอย่างนี้หนึ่งอันนี้คือเรื่องวิปัสสนาอันนั้นที่ทำจิตใจให้สงบนั้นคือส ม, มะถะ สมมร tha ทมจิตใจให้สงบทําจิตใจให้นิ่งทำจิตใจให้เป็นหนึง่งในเมื่อจิตใจนิ่งสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาในเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญากันดูใจของตนเองใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงใจของเราเป็นทุกสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นไม่ทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราเนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะ ให้ยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วว่าท่านให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเพราะหลวงพ่อเองเป็นห่วงเพราะในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่ อ, อยังไงคือลูกของหลวงปู่มั่นยังเหลือไม่กี่คนไม่กี่องค์จะหมดแล้วแต่มาถึงหลานกลัวหลานทั้งหลายจะเป๋ยึดคนนั้นมายึดค น, น, นมคนนีนากลุ่มนั้นมากุนนี่มาเพื่ออยากจะเด่นอยากจะดัง ผลที่สุดก็เลยแนวแถวลงปูมั่นก็เลยหมดไปทั้งที่ท่านแนะนําสั่งสอนถึงมักถึงผลถึงมักผลนิ่ผ่านเพราะกระดูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนํามาสอนพวกเราเนี่ยองไหนมรณะภาพลงไปกระดูกของท่านก็เดยกลายเป็นพระาธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระน้องพระนูทั้งหลายฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดดิหลวงพ่อไม่ได้แคบนะหลวงพ่อกว้างแต่หลวงพ่อบอกว่าให้เรายึดวิชาอาชีพขแขนงไหนขขแขนงใดขแขนงหนึ่งจะเป็นรัฐศาสตร์ก็ได้นิติศาสตร์ก็ได้กเกษตรศาสตร์ก็ได้แพทย์ศาสตร์ก็ได้หรือจะทาํานาวิธีการทํานาก็ได้ก็มีเงินเหมือนกันถ้าเราทําให้ถึงจริงจังและจริงใจ เราจะทำสวนยาง ก, ก็ได้แต่ทำให้จริงจังและจริงใจเราจะขายของชาก็ได้ทำห้จริงจังและจริงใจเป็นข้าราชการก็ได้ทำด้วยความจริงจังและจริงใจในเมื่อเราทำจริงและจริงใจคำนี้ะผลก็จะออกมาด้วยความจริงออกมาเราก็จะร่ำรวยมีความสุขแต่ทำอะไรท่าทำละละละแหละทาไปแต่วาสก์ว่าทำทารรแล้วก็หวังผลอย่างเดียวก็คงจะ ไลผลป อ, อ, อยนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านที่หลวงพ่อยกเป็นพุทธภาษิทธเบื้องต้นว่าบุญญานิปัลโลกัมิงปฏิทถาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาคําคว่าบุญคํานี้ก็คือคุณงามความดีถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีคิดดี ทำดีพูดดีนั่นแหละเราไปอยู่นิสสานที่ใด เ, เมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีในวันนี้หรือวันต่ อ, ต, อต่อไปคิดดีทุกวันทําดีทุกวันพูดดีทุกวันความดีก็จะส่งเสริมให้พวกเรามีแต่ความสุขความจเจริญไปสู่วันหน้าพุง่งปีหน้า เ, เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าเราคิดชั่วในวันนี้แล้วทําชั่วพูดชั่วในวันนี้ เอาเถอะเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในวันนี้ผลความชั่วก็จะติดตามพวกเราไปไปสู่วันภายภาคหน้าอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าอ่ะกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้ว ว่าความคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนั่นแหะจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังพวกเราเห็นไหมพอขณะที่ขึ้นพูดก็ลืมตัวด่า ก, กลาดไปหมดผลในสุดพอเขาฟ้องขึ้นมาไม่รู้กี่กระทงเดี๋ยวหัวคอพับเลยทีนี้บางทีเผลอๆก็ตัดสินเข้าคุกอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าความชั่วตัวเองคิดชั่วจะก่อน จึงทำความชั่วจึงพูดออกไปทานทางที่ชั่วเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากรคำชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรคมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ทําแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการกล่าว สัมโมทนยายกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัะีรัตนาไรายพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์อนุภาพของหลวงปู่เหรียญวรราโพที่พวกเราทำบุญเพื่อมุทิตาหรือว่าทำบุญเพื่อถวายพระองค์ท่านในวันนี้ ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้หลวงปลูกบําเพ็ญมาด้วยดีแล้วขอให้มาคุ้มครองลูกหลานญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเถอน